บทที่เก้าคุณค่าและการปฏิบัติธรรมเสียงที่ไพเราะที่สุดชายชะาชาวบ้านคนหนึ่งเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิต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 อีแออีแอเสียงควรครางจากไวโอลินที่เป็นเพี้ยนจากตัวโ น, น้ตเมื่อลูกชายบอกเขาว่าสิ่ง น, นั้นเรียกว่าไวโอลินเขาคิดในใจว่าเขาจะไม่มีวันอยากฟังไวโอลินที่แสนจะแย่นี้อีกแน่นอน วันรุ่งขึ้นที่อีกด้านหนึ่งของเมืองชายชาราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ฟังแล้วแสนจะเรื่อนหูอันชาราภาพของเขาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังท่วงทำนองเทพไพเราะมีสเสน่ห์เช่นนี้มาก่อนเลยที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจึงต้องการที่จะหาที่มาของเสียงเขาติดตามเสียงที่ให้ความสุขใจนั้นไปจนถึงต้นต่อของมัน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 ชายชาราก็ได้ยินเสียงที่ไพเราะจับใจเยิ่งกว่าเสียงดนตรีจากนักไวโอลินเอกโยมคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร มันเป็นเสียงที่พเราะยิ่งกว่าเสียงทา น, น้นตกในฤดูใบไม้ผลิยิ่งกว่าเสียงลมวิวผ่านป่าละมะในฤดูใบไม้ร่วงหรือยิ่งกว่าเสียงนกภูเขาร้องเพลงหลังฝนตกหนักมันเพราะยิ่งกว่าเสียงแห่งความสงบในหุบเขาในค่าคืนฤดูหนาวที่นิ่งสนิท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 เช่นเดียวกับสมาชิกของวงออเคสตราที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆได้อย่างหลงรอยและกลมกลืนกันในที่สุด